มักฐาเรื่องยามัวสับสนจริยธรรมสากลอยู่ที่เป็นความจริงโดยพระพรมคุณาพรปออประยุตโตวัดยานเวศ ก, กวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมตอบข้อสงสัยของคณะโยมที่วัดยานเวศ ก, กวัน เมื่อวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2550โยมีอะไรจะคุยละไรือท่านเจ้าคะดิฉันขอกราบเรียนถามถึงเรื่องจริยธรรมอยากให้ท่านอธิบาย เรื่องจริยธรรมคืออย่างไรเพราะว่าขณะนี้มีคนเรียกร้องหาจริยธรรมกันมากในการทำงานในการปกครองอะไรต่างๆเหลา่านี้อยากขอให้ท่านอธิบายเพื่อให้ทราบทั่วกันค่ะว่าคาว่าจริยธรรมนั้นเป็นมาอย่างไรแล้วก็ขอย่อๆเจ้าคะ่ะ คือมันเป็นเรื่องที่คนปัจจุบันเนี่ยผูกกระทำให้สับสนก็อยู่กันมาดีๆเราก็มีคำเช่นศีลธรรมอยู่ทำนั้นใช้มาในสังคมแล้วก็ยังใช้อยู่อยู่ก็มามีคำใหม่มนมีจริยธรรมขึ้นมาแล้วก็มีความโน้มเอียงที่จะไม่ค่อยใช้คำว่าศีลธรรม และคำใหม่จริยธรรมตัวเองก็ใหม่ชัดแล้วก็มาใช้กันไปเป็นคำโก้ทีนี้มันตัวเองไม่ชัดมันก็ยุ่งว่ะสิความหมายมันไม่ชัดนี่ก็พูดกันเกลอือนเกลืไปงั้นเองเดี๋ยวเราอบรมจริยธรรมที่นั่นทีน่นี่พอถามความหมายแท้ก็ไม่ชัดเจนมันยุ่งพอดูคือคําว่าจริยธรรมเนี่ยความจริงมันก็เป็นศัพท์ที่มาจากภาษาพระภาษ า, าบาลี ที่ใช้ในรูปวจริยธรรมเนะี่ยท่านไม่นิยมใช้ใช้ได้แต่ว่าท่านไม่ได้ถือเป็นศัพท์หนึ่งมันมีประกอบอยู่ในคําอะไรอยู่สักแห่งสองแห่งซึ่งไม่ได้เป็นศัพท์แท้เขามดนี่เราก็มาใช้เป็นศัพท์บัญญัติเมื่อประมาณสักสามสีปีตอนที่เราบัญญัติเอสิกคาฝรั่งว่าเอสิกเนี่ยเราจะใช้เป็นภาษาไทยอะไรก็เกิดมีบัญญัติขึ้นมา ในทางปรัชญา e อ h i c s มี S เนี่ยก็บัญญัติว่าเป็นจริยศาสตร์แล้วก็สำหรับในศัพท์ทั่วไปก็ใช้เป็นจริยธรรมก็บัญญัติขึ้นมาก็เลยมีคำว่าจริยธรรมเกิดขึ้นในสังคมไทยนี้ก็กลายเป็นว่าเราต้องไปให้ความหมายจริยธรรมตามศัพท์ฝรั่ง เวลาจะมองว่าจริยธรรมมีความหมายอย่างไรก็ต้องไปดูว่าเอธิกของฝรั่งนะความหมายว่าอย่างก็คือความหมายศัพท์เนี้ยไปขึ้นต่อศัพท์ฝรั่งเพราะเป็นศัพท์บัญญัติเราก็เลยต้องไปดูว่าเอธิคเนี้ยคืออะไรก็ยุ่งพอดูก็เป็นธรรมดาก็ต้องบัญญัติเพราะว่าศัพท์เข้ามาใช้ในทางวิชาการด้วยแต่ทีนี้ว่า เราก็ไปหลงอยากจะใช้ศัพท์แบบฝรัง่งงั้นเราก็ไปเที่ยวเอาคำบัญญัติแบบฝรั่งมาใช้หมดไอ้ศัพท์เดิมๆของเราก็ทิ้งไปทีนี้เอสติกนี้เอาในแง่ฝรั่งเอาคร่าวๆว่าความหมายของเขาเนี่ยมันเน้นการปฏิบัติการประพฤติในทางสังคมหรือแสดงออกภายนอก การอยู่ในสังคมการกระทําต่อกันการประพฤติตัววางตัวอะไรต่างๆในสังคมที่แสดงออกมุ่งในด้านข้างนอกจะเรียกว่าจริยธรรมทีนี้มองดูว่าอไอ้จริยธรรมที่มันแสดงออกภายนอกนี่มันไม่พอนะในใจมันต้องมีความดีอยู่ด้วยแต่มีแต่การแสดงออกประพฤติปฏิบัติอย่างเดียวมันก็ไม่มั่นคงแล้ว ม, มันไม่แท้จริง ก็เลยไปนึกว่าอ้ถ้างั้นในทางจิตใจจะต้องมีความดีด้วยไปไปมาๆก็เลยบอกว่าเออในทางจิตใจนี่คุณความดีมันมีศัพท์อยู่ต้องมีด้วยคือคําว่าคุณธรรมก็เลยมีคําที่ต้องนิยมใช้คู่กันว่ามีจริยธรรมก็ให้มีคุณธรรมพร้อมไปด้วยต่อมาก็เลยพูดคู่กันคุณธรรมและจริยธรรม จะเห็นว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยเวลาจัดประชุมจัดกิจกรรมอะไรก็จะมีคู่กันโดยมากเลยคุณธรรมและจริยธรรมอะไรคุณธรรมเป็นความดีภายในจิตใจแสดงออกมานำมาสู่กรารปฏิบัติเป็นจริยธรรมเป็นอย่างนั้นไปแต่จริยธรรมก็ต้องมีคุณธรรมเป็นฐานอันนี้ความคิดมันก็สืบเนื่องมาจากการที่ไปนำศัพท์บัญญัตินิมาใช้ก็ เป็นเรื่องของโลกสมัยใหม่ที่ไปนิยมตามฝรั่งและชาศัพท์ของเขามาทีนี้ตอนหลังนี้ก็มีว่าเออแล้วเรามีคําว่าศีลธรรมเดิมแล้วจะว่าไงยุคหลังนี้ก็เลยบอเอางี้ก็นละกันตกลงเขาก็ให้ความหมายว่าศีลธรรมก็คือหลักความประพฤติที่มาจากศาสนาเพราะเดิมในเมืองไทยเราสังคมไทยนี้นับถือพุทธศาสนาหลักคําสอน หลักปฏิบัติในทางความประพฤติมันก็มาจากพุทธศาสนาเอาพุทธศาสนาก็เป็นศาสนาหนึ่งศีลธรรมนั่นเป็นหลักความประพฤติที่มาจากศาสนาเป็นศีลธรรมเอาละให้ความหมายแยกกันซะว่าจริยธรรมนี่ก็เป็นหลักความประพฤติที่เป็นกลางๆงเออเติมสากลเข้าไปอีกก็เลยมีคําว่าจริยธรรมสากลหรือแม้ไม่เติมก็ให้ถือว่าจริยธรรมนี่เป็นของกลางๆลเป็นของสากล มีที่ไหนก็ประพฤติอย่างนั้นเหมือนกับว่าช่วยเหลือกันเนี่ย เ, เป็นจริยธรรมเป็นของสากลเป็นจริยธรรมสากลไม่ว่าศาสนาไหนหรือไม่ใช่ศาสนานอกศาสนาก็ถือว่าดีหมดเป็นจริยธรรมแต่ว่าหลักความประพฤติบางอย่างที่มาในศาสนาก็เรียกเป็นศีลธรรมไม่เป็นจริยธรรมนักให้ความหมายระยะหลังก็จะโน้มไปในทางให้ความหมายยางนี้ว่า จริยธรรมก็คือหลักความประพฤติซึ่งมีพื้นฐานมาจากคุณธรรมในใจคุณธรรมก็ภาษาอังกฤษก็วูจวอะไรแบบก็ต้องมีวูจิวเป็นคุณธรรมอยู่ข้างในใจแล้วก็ออกมาสู่การประพฤติธปฏิบัติเช่นในสังคมก็เป็น t อ i ิ s เป็นจริยธรรมก็มีคุณธรรมและจริยธรรมเปของสากลถ้ามาจากศาสนาก็เป็นศีลธรรม อันนี้ความหมายแบบสมัยใหม่ที่ค่อยๆเหมือนกับพัฒนาขึ้นไปอ้าวทีนี้เราหันมาดูในหลักของพุทธศาสนาทางพุทธศาสนาเนี่ยที่จริงจริยะเนี่ยใช้อยู่แต่ไม่มีคำว่าธรรมเขาบอกเมื่อกี้แล้วว่าจริยะก็เป็นสั์หนึ่งในพุทธศาสนาท่านมีคำว่าจริยะ และเป็นศัพท์สําคัญในพุทธศาสนาก็มีคําว่าพรห ม, มะเติมเข้าข้างหน้าก็เป็นพรห ม, มจริยะแล้วก็มาแปลเป็นไทยว่าพรห ม, มจันทร์อ๋อพรหมจันทร์นี้แปลความหมายเยอะแล้วบางทีความหมายบางอย่างก็อาจจะแคบไปก็ถ้าจะให้ดีก็ใช้ศัพท์เดิมว่าพรหมจริยะจริย ะ, ยะก็จริยะนั่นแหละแล้วก็พรห ม, มะก็ที่เป็นของประเสริฐ เป็นพรหมเนี่ยพรหมะก็คือพรหมพรหมมะเป็นพรหมพรหมแปล ว, ว่าประเสริฐยิ่งใหญ่ของคุณมีคุณความดีจิตใจยิ่งใหญ่คือคําว่าพรหมนี่ในศาสนาพราหมณ์เดิมก็ใช้เป็นชื่อของเท พ, พเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ว่าเวลาใช้เป็นคุณศัพท์พรหมก็คือประเสริฐยิ่งใหญ่เช่นว่าจิตใจกว้างขวางยิ่งใหญ่ นิพพานมัจเริยะก็คือจริยะที่ประเสริฐเพราะว่าจริยะนี่มันอาจจะไม่ประเสริฐก็ได้จริยามันเป็นคำกลางจริยะก็มาจากรากศัพท์เดิมมันเป็นกริยารากศัพท์มันคือจระจระจอรอ้นั่นเองจอรอจระมาเป็นไทยเราอ่านว่าจรในภาษาบาลีก็อ่านว่าจาระจอนหรือจระตัวนี้ก็แปลว่าเดิน เดินถ้าไปไกลๆก็เรียกว่าเที่ยวเลยเดินหรือเที่ยวก็เราก็ใช้เป็นภาษาธรรมดาจอนจอรไปก็จอมาจอรไปจอมาเป็นภาษาบาลีว่าจาระจรเดินไปแล้อาจระอาแปลว่ามาเติมหน้าจอจอรเดินไปอาจอเดินมารวมกันเป็นจราจอนแปลว่าเดินไปเดินมา มาใช้เป็นภาษาไทยเราก็รู้จักกันจรา จ, จรทั่วไปหรือว่าพระเนจรพระเนจรก็วณนะภาษาบาลีท่านเรียกว่แจกวิพัตเป็นวเนภาษาบาลีมาเป็นไทยนี่วอแผลงเป็นพอได้เหมือนกับวณะนะแปลว่าป่ามหาวณะป่าใหญ่อยู่ในเวสสันดรชาดก กันหนว่ามหาวนาะมาเป็นไทยก็เป็นมหาผลวนาะวนาะวอไปพอก็กันมหาผลป่าใหญ่แล้วทีนี้ก็มาแจกวิพัฒน์วนาะหรือพระนะในป่าจะเป็นรูปว่าวเนหรือพระเนวเนพระเนวในป่าแล้วเติมจรเข้าไปเป็นวเนจรหรือพระเนจรแปล ว, ว่าท่องเที่ยวไปในป่า หมายความเป็นคนเดินป่าเดินไปไม่มีจุดหมายสมัยก่อนป่ามันมากไม่เหมือนสมัยนี้คนที่เดินป่าเที่ยวไปในป่าก็เป็นคนที่ไม่มีจุดหมายแล้วต่อมาเข้าภาาไทยเลยคนพเนจรก็ <c oughs> เลยกลายเป็นคนที่ <c oughs> ไปไหนมาไหนไม่มีจุดหมายนี่เป็นคนพเนจรแต่ก่อนนี่หมายถึงว่าเป็นคนเดินเที่ยวไปในป่าไม่มีหลักแหล่งอะไรนี่องี้เป็นตน้นคือตกลงว่า จอตัวนี้ก็เดินนั่นเองทีนี้เดินในทางรู ป, ปรธรรมก็เดินไปจระเนี่ยอ้าวท่านก็เอาสั์รู ป, ปรธรรมเนี่ยมาใช้กับนามนธรรมคือศัพ์รู ป, ปรธรรมได้เยอะเอามาใช้เป็นนามนธรรมเหมือนอย่างมรคมร์มีองแปดเนี่ยมร์มัน ก, ก็ทางนี่แหละทางเดินก็เรียกว่ามร์ฆ ก, ก็เอาศับรู ป, ปรธรรมมาใช้กับธรรมะ เป็นมรคมีองค์8ประการใช่ไหมลูกพอก็มรค ก, ก็กลายเป็นศัพบธรรมะไปเป็นนามธรรมทีนี้จาระเดินนี่ก็เหมือนกันเลยจาระเดินอา้าวทีนี้เดินทางก็เดินไปชีวิตของเรานี่ในแง่หนึ่งก็เหมือนกับว่าเราอยู่กันไปนี่เหมือนเดินทางชีวิตเดินทางชีวิตเราก็เลยเอาจาระจรที่เดินในทางรูปธรรมเดินถนนน้นทางเนี่ยมาใช้กับชีวิตด้วย เดินนี่เราแผงเป็นดำเนินได้เดินดำเนินทรงเดินก็ทรงพระดำเนินเสด็จพระราชดำเนินก็เดินไปนั่นแหละเดินเป็นดำเนินทีนี้มาเดินทางชีวิตเราก็เลยเรียกดำเนินชีวิตเนี่ยจระจระเดินมันก็เลยกลายเป็นมาใช้นามธรรมกับชีวิตได้เป็นดำเนินชีวิตอาวละโยมก็เห็นแล้วแน่เลยจระดำเนินชีวิตทีนี้จระเนี่ยมันเป็นต้นสับ เวลาทําให้เป็นนามสมบูรณ์เนี่ยท่านก็ใส่องค์ประกอบหรือเครื่องปรุงเครื่องปรุงทางไวยากรท่านเรียกว่าปัจจัยใส่เข้าไปปัจจัยตัวนี้เติมเข้าไปจะระให้เป็นนามจะระมันเป็นกริยาเติมนิยจะระก็เลยกลายเป็นจริยะจริยะก็แปลว่าการเดินหรือการดําเนินนี่ เรามาใช้ทางนามธรรมเมื่อกี้นี้บอกแล้วดําเนินชีวิตจริยะกรรมเราการดําเนินชีวิตอาลารรยองก็เห็นแหละพระพุทธเจ้าก็ใช้จริยะมรรค ะ, ะและอีกศัพท์หนึ่งก็คือปฏิปทาศัพท์นี้มาจากรูปธรรมทางนั้นมาจากเรื่องถนนหุนทางทางเดินการเดินนี่แหละมัคคะกระทางเดินก็มาเป็นมัคมีองแปะจริยะการเดินก็เป็นจริยะการดําเนินชีวิต แล้วก็อีกตัวหนึ่งเดินทางเนี่ยภาษาบาลีเขาเรียกว่าปฏิปะทะเวลาเดินเดินทางเนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าปฏิปัติชติเดินไปเดินทางไปอันนี้ใช้ในทางนามธรรมาก็เดินทางชีวิตเหมือนกันมาเป็นรูปรัพที่เรียกว่าปฏิปทาโยมก็เห็ น, นใช่หมเนี่ยปฏิปทาก็คือการดำเนินชีวิตของตัวเองดาเนินไปอย่างไร ก็เป็นสัอย่างเดียวกันชุดเดียวกันเป็นมรคเป็นจริยะเป็นปฏิปทาทั้งสศัพท์นี้มาเป็นชื่อขององค์ธรรมเดียวกันหมดองค์ธรรมนั้นก็คือชุดที่เรียกว่ามรคมีองค์8ปประการมรคมีองค์8ประกา ร, ก ร, การเรารู้จักกันมากที่สุดแต่บางทีก็เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาใช่ไหมลยป่อ น, นี่เห็นหปฏิปทานกระทางเดินเหมือนกันจะว่าทางเดินสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทาคืออะไรก็บอกก็คือมักมีองค์8ประการอันประเสริฐมักมีองค์8ประการอันประเสริฐนี่แหละคือมัชฌิมาปฏิปทาตัลงมักกปฏิปทาสัพท์เดียวกันทีนี้พระพุทธเจ้าทรงใช้อีกศั์ว่าจริยะอจริยยะทั่วไปมันเดินดีหรือเดินไม่ดีก็ยังไม่รู้ใช่ไหมลูกก่อนก็เดินให้มันดีเดินให้ประเสริฐก็เติมธรร ม, มะเข้าไปก็เป็นจริยะการดำเนินชีวิตอย่างประเสริฐ ก็เป็นพรมจริยาพรมจริยาก็คือมัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมีองค์8ประการอันเดียวกันหมดตกลงว่าพรมจริยาก็เป็นชื่อของมรรคมีองค์8ประการอันประเสริฐเอาแล้วนะโยมก็ใจละพรมจริยาพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอายเมวะอริโยอัฏฐานกิโกมรรคโคพรมจริยังก็อบอกว่ามรรคมีองค์แประการอันประเสริฐนี้แหละเรียกว่าพรมจริยาเรืองนี มีพุทธพจน์ไปด้วยตกลงโยมเข้าใจแล้วนะนี่คือจริยะในพุทธศาสนาของเดิมแยกนะโยมต้องแยกจริยธรรมปัจจุบันกับจริยะในพุทธศาสนาที่เป็นของเดิมแยกได้แล้วนะเลยพอจริยธรรมนั่นบัญญัติมาจากเอธิคของฝรัง่งส่วนจริยะในพุทธศาสนานี่คือพรหมจริยะที่หมายถึงมรรคมีอ8ปรประการอันประเสริฐเป็นการดำเนินชีวิตอย่างประเสริฐทั้งหมด นี่การดำเนินชีวิตอย่างประเสริฐหรือการเดินทางชีวิตอันประเสริฐเนี่ยก็เป็นมรรคมีองค์8ประการสรุปลงเป็นสามใช่ไหมล่ะพอรมรรคมีองค์ประการสรุปเป็นสามมีอะไรบ้างมีศีลสมาธิปัญญาท่านสรุปเป็นขันนะเวลาสรุปเนี่ยโยมขอให้ทราบวันนี้ก่อนคือเวลาเรียกเป็นหมวดหมดเนี่ยท่านใช้ภาษาบาลีว่าขัน ขันไม่แปลว่าหมวดนี่มักมีองค์8เนีเป็นข้อๆเรียกว่าองค์องแปลว่าข้อๆขๆข้อแต่ละอันก็สัมมาทิฏฐิก็เป็นองหนึ่งสัมมาสังกัปปะก็เป็นองค์ึสัมมาวจารสัมมากรรมันตสัมมาชีวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิแต่ละข้อเนี่ยเป็นององององค์ององทีนี้ก็จัดองนี่รวมก็เป็นขันก็เป็นหมวดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสององนี้รวมเป็นขันหนึ่ง เรียกวปัญญาขันก็เป็นหมวดปัญญาและก็สัมมาวาจาสัมมากรรมตตะสัมมาชีวะสมองค์นี้รวมเป็นขันหนึ่งเป็นศีละขันเรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสมองค์นี้รวมเป็นขันหนึ่งเรียกว่าสมาธิขันก็เป็นขันสามโยมต้องรู้จัก ขันอีกชุดแหละก็แปลว่ามีขันสามีสีละขันสมาธิขันปัญญาขันเนี่ยทีนี้ถ้าปฏิบัติตามมาร์กีองค์8หรือสามขันนี้ไปเนี่ยจะต่อไปเพิ่มได้อีกขันหนึ่งเรียกว่าวิมุตติขันวิมุตติขันได้อีกขันหนึ่งแหละคือหมวดความหลุดพ้นและผลสําเร็จของการปฏิบัติลได้วิมุตติขัน แล้วก็จะได้วิมุตติยานทัศนขันอีกขันหนึ่งก็รวมเป็นห้าขันจบจริงๆต้องมีห้าขันเพราะฉะนั้นมากที่ปฏิบัติกันเนี่ยอยู่ในสามขันแรกพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปจะเพิ่มอีกสองขันและโยมจะได้เป็นห้าขันและโยมก็จะมีขันฝ่ายปฏิบัติห้าขันนี้ไปคู่กับขันห้า โยรู้จักใช่ไหมลูกอขันห้าชีวิตเราเนี่ยเราต้องปฏิบัติให้ขันห้าชีวิตของเรานี่ให้เป็นที่ตั้งของห้าขันนี้ขันห้าของเรามีอะไรบ้างล่ะมีหนึ่งรูปขันสองเวทนาขันสามสัญญาขันสสังขารละขันหวิญญาณะขันนี้ชีวิตของเรายังเป็นของดิบๆอยู่ยังไม่รู้มันดีมันร้ายมันมาใช้อย่างไรแล้วแต่จะใช้เนี่ยเรามีห้าขันอยู่แล้ว จะมีขันห้าก็คือห้าขันถ้าเราปฏิบัติไปบรรลุผลดีแล้วจะได้อีกห้าขันได้ศีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุติขันวิมุติยานัทสนขันก็ต้องให้ขันห้าเนี่ยมาเป็นที่ตั้งของอีกห้าขันนี่แล้วก็สมบูรณ์เลยอ้าวเนี่ยจะมาก็ว่าเรื่อยเปื่อยไปเอาทีนี้ว่าเรื่องห้าขันต่อไป นี้กลับมาตอนนี้เรายังอยู่ในขั้นปฏิบัติเรายังไม่ได้ครบหขันนะก็กลับมาแค่สามขันสามขันก็คือมรรคมื่อกี้ศีละขันสมาธิขันปัญญาขันอันนี้คือตัวองค์ธรรมทีนี้เราจะต้องไปปฏิบัติไปฝึกให้มันเกิดปผลขึ้นมาท่างก็จัดเป็นระบบการปฏิบัติท่าเรียกว่าศิกขาการศึกษาการฝึก เราจะเห็นว่าเมื่อไปฝึกเนี่ยฝึกชีวิตเพื่อจะให้ได้ขันเหล่านี้นะไอการปฏิบัติเนี่ยท่านเรียกสิกขาก็ปฏิบัติให้ได้ชุดเนี่ยไอข้อปฏิบัติมันก็เรียกอย่างนี้เหมือนกันก็เลยกลายไปว่าที่เป็นศีละขันเนี่ยก็เป็นศีลสิกขาเป็นฝ่ายปฏิบัติแต่เวลาเรียกในท่านเรียกให้มันมีความหมายชัดว่ายิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไป ก็เลยเรียกว่าเป็นอธิศีละสิกขามีคําว่าอธิ น, นํานะเช่นอย่างศีห้าท่าปฏิบัติเลื่อยเฉยไปท่านบอกว่ามันไม่ใช่อธิศีละสิกขาถ้าจะเป็นอธิศีลสิกขานี่ต้องปฏิบัติด้วยความรู้เข้าใจมีจุดหมายถูกต้องสัมพันธ์กับการที่จะให้เกิดสมาธินําไปสู่พระนิพพานอะไรเงี้ยอย่างนี้เรียกว่าอธิศีละสิกขาแม้ปฏิบัติศีห้า ก, าก็เรียกว่าอธิศีได้ ก็อยู่ในศิกขาเนี่ยเอาละศีลมาเป็นศิกขาก็เป็นอธิศีและสิกขาอันนี้สมาธิมาเป็นศิกขาเราก็เรียกง่ายๆว่าสมาธิอะไรแต่ว่าท่านจัดเป็นศิกขาท่านเอาคําว่าจิตตะมาแทนเพราะเรื่องสมาธิเป็นเรื่องของการฝึกจิตใจเ็าเรียกอธิจิตตะสิกขาการฝึกด้านจิตแล้วก็ปัญญาก็เป็นอธิปัญญาสิกขาเวลาเรียกกัน สันส้นๆรัดๆเป็นชุดก็เรียกว่าศีสมาธิปัญญาศิกขาสามก็เรียกศีสมาธิปัญญาชื่อเต็มค่าว่าอธิศีและสิกขาที่จิตสิกขาที่ปัญญาสิกขาเราก็เรียกกันแค่ศีสมาธิปัญญาตกลงศีสมาธิปัญญาก็มาเป็นสิกขาแล้วก็มาร์กมีองค์8ก็ย่อลงจัดเป็นหมวดหมู่ก็รวมเป็นแค่สามสีสมาธิปัญญาเนะี่ย จะไปเรียกเป็นสีละขันสมาธิขันปัญญาขัานหรือเรียกศีลสมาธิปัญญาเข้าชุดไตรสิกขาแล้วแต่อันนี้โยงเพียงรู้ไว้เป็นความรู้แต่ข้อที่น่าสังเกตก็คือองค์แปดของมรตมาจัดหมวดหมู่เป็นศีสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาประกอบกันนี้เรียกว่าเป็นมรตเป็นปฏิปทาที่เป็นมัชฌิมาแล้วก็เป็นพรรมวจิริยะ อันนี้ก็คือเป็นมรรคกทาก็ได้พรหมจรรย์หรือพรหมจรรยยะก็ได้เอาและเรามาเน้นในแง่พรหมจรรยยะจรรยะอันประเสริฐการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐนี่มีหลักการใหญ่สามอย่างคือศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือความประพฤต์ทั่วไปความประพฤติเนี่ยเราแยกไปอีกก็คือกายวาจาด้านภายนอก กายวิจาถ้าเอาที่แดนสแสดงออกก็เป็นกายวิจากายวิจาคือเจตนาที่ออกมาทางกายวิจาเน้นที่ตัวเราคือกายวิจาที่ไปสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกมีอะไหรหนึ่งมนุษย์ด้วยกันสมัยปัจจุบันเขาเรียกทางสังคมก็คือความสัมพันธ์ทางสังคมอยู่ร่วมกับคนอื่นเป็นยังไงดีไหมเบียดเบียนเขาไม่ทําร้ายเขาไม่รือสองเคราะห์ช่วยเหลือกัน อ่าแะอะไรอีกไม่ใช่เฉพาะสัมพันธ์กับมนุษยนะ์เท่านั้นสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอาหารการกินสิ่งที่ได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังอะไรต่างๆสิ่งแวดล้อมทั้งหลายทั้งหมดตกลงว่าศีเนี่ยก็มีกายวาจาแต่แยกละเอียดไปอ้าวมันไม่ใช่แค่นั้นนะกายวาจานี่เป็นด้านกระทําอย่างวาจานี่ก็พูดออกไปเป็นกายกระทําอย่างหนึ่ง แต่ทีนี้บางอย่างรับเข้ามาอย่างรูปเสียงกลิ่นรสวัถุเนี่ยเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสอันนี้ฝ่ายรับตกลงว่าเราไม่ได้ใช้แต่กายวาจาอย่างเดียวนะที่จริงเนี่ยเราสัมผัสกับสิ่งทั้งหลายเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มาเข้าใจกายวาจาก็ออกไปจากใจกายวาจาออกไปจากใจตาหูจมูกลิ้นกายเข้ามาใจ แดนเข้ากับแดนออกตโตงก็เลยมีสองแดนไอ้ที่เราออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยแดนรับเข้ากับแดนออกท่านก็เลยแยกเป็นทวารสองชุดเป็นทวารฝ่ายรับเข้าเรียกว่าผัสสะทวารมีหตาหูจมูกลิ้นกายใจใจมาเป็นแกนอยู่แต่ว่าที่ไปรับขณาก็ตาหูจมูกลิ้นกาย นี่เรียกว่าผัดสะทวารประตูรับรู้แล้วก็ประตูกระทาแสดงออกท้าเรียกรมมกรรมทวารกรมมทวารก็มีสามกายวาจาใจหรือกายทวารวจีทวารมโนทวารอันนี้ก็ไว้แสดงออกก็เริ่มจากใจคิดยังไงแล้วก็แสดงออกทางกายแสดงออกทางวาจาพูดไปเนี่ยทวารสองชุดเนี่ย เราก็สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์จะสัมพันธ์กันยังไงจะดีไร้เบียดเบียนหรือไม่เฉลี่ยเกื้อกูลกันหรือจะไปสัมพันธ์กับสิ่งของวัตถุอาหารการรับประทานหรือไปสัมพันธ์กับวิทยุทีวีไปฟังไปดูไปชมอะไรต่างๆเนี่ยนี่แดนที่สัมพันธ์ภายนอกทั้งหมดปฏิบัติให้ถูกท่านเรียกว่าศีลทั้งนั้นเพราะฉะนั้นศีลนี่เยอะหมดเลยก็คือ ถ้าดูที่ชีวิตเราก็ดูที่ทวารกายวาจาหรือว่าตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ลงมาถึงใจนะที่ไปเกี่ยวข้องเนะี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ในแดนของศีลเพราะฉะนั้นของพระเนี่ยศีลเนี่ยนะจะครบเลยท่านจัดเป็นสี่ชุดชุดอินทรีย์สังวรการใช้อินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใช้เป็นไหม ถ้าใช้ไม่เป็นเนี่ยดูอะไรอะไรลุ่มหลงดูทีวีดูอะไรแล้วก็ลุ่มหลงมัวเมาเป็นโทษกับชีวิตสังคมถ้าเรียกว่าไม่มีศีลถ้าอินทรีย์ใช้เป็นดูแล้วเกิดความรู้ได้คติอะไรต่างๆเนี่ยมาเป็นประโยชน์กับชีวิตเลยท่าเรียกว่ามีศีลอินทรีย์ยสังวรศีลชื่อเต็มเลยอินทรีย์ยสังวรศีลศีลอินทรีย์เนี่ยสาคัญมากคนไทยเราไม่ค่อยจะเอามาใช้พระบวชปั๊บนี่ อินเสียสังวรศี ed, นั้นดับหนึ่งเลยต้องเริ่มเนี่ยการใช้อินทสียจะใช้ไม่เป็นแล้วเป็นโทษมาแล้วเด็กสมัยนี้ก็ใช้อินทสียไม่เป็นตั้งแต่เรื่องของไอทีนี่แหละไอที IT นี่ชุดอินเสียสังวรศีนเลยเด็กสมัยนี้ไม่มีศีนชุดนี้แย่ yeah! ใช้ไอทีไม่เป็นได้รับโทษจากไอทีเพราะไม่มีอินเสียสังวรศีลศีลชุดที่หนึ่งแล้วก็ศีชุดที่สอง การสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอะไรอ่ะก็อาหารการรับประทานสิ่งเสพบริโภคงีสิ่งเสพบริโภคเครื่องอุปโภคบริโภคใช้สอยทั้งหลายเนี่ยเราต้องปฏิบัติต่อมันให้เป็นเองนี้เรียกว่าปัจจัยสี่สิ่งก่อขับประคองอุดหนุนชีวิตตั้งแต่อาหารการกินเป็นต้นไปอาหารเครื่องนุ่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องใช้สอยต่างๆเนี่ยต้องใช้ให้เป็น กินไม่เป็นอย่างเดียวก็เกิดโทษกับร่างกายกับชีวิตแล้วก็ลุ่มหลงมัวเมาใช้สิ้นเปลืองเบียดเบียนคนอื่นแต่ถ้าใช้เป็นกินเป็น ก, ก็กินได้เป็นประโยชน์กับร่างกายแล้วก็รู้จักประมาณไม่เกิดโทษต่อชีวิตตนและผู้อื่นไม่เบียดเบียนกันไม่ทําให้เกิดการแย่งชิงเป็นต้นอะไรเนี้ยทุกอย่างแหละต้องใช้เป็นหมดอันนี้ที่เรียกว่าปัจจัยสนิสิตศีลศีลที่อิงอาศัยปัจจัยสี่ หรือบางทีก็เรียกว่าปฏิเสวนาการรู้จักเสพบริโภคอันนี้ก็เรื่องใหญ่เลยศีลปัจจุบันยุค ป, ปัจจุบันนี้ไม่เอามาใช้เลยก็รู้จักกินกินให้เป็นนุ่งห่มให้เป็นแล้วจะได้ไประโยชน์ศีลชุดนี้เราไม่มีเราก็กลายเป็นท่ายของบริโภคนิยมเสพบริโภคลุ่มหลงกันไปเป็นอันตรายต่อชีวิตและสังคมเสียอีก ต่อไปก็มีอีกสองชุดเราต้องอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นหมู่เป็นคณะเช่นพระก็อยู่เป็นชุมชนพระเป็นสังฆะก็ต้องมีกติการะบบชีวิตของชุมชนนี้ให้มันเหมาะกันว่าเรามีความประสงค์ของสังคมนี้ชุมชนนี้ชีวิตในระบบนี้อย่างไรก็วางข้อปฏิบัติกติกาให้เหมาะ ศีลอย่างนี้เช่นของพระนี่ก็มีชื่อพิเศษเรียกว่าปาติโมกขสงวรศีลที่เป็นศีล2องเนี่ยเป็นเพียงหมวดหนึ่งในศีลพระที่มีสีหมวดเท่านั้นไม่ใช่ศีลทั้งหมดแล้วก็แค่ในปาติโมกนอกปาติโมกยังมีอีกเป็นไม่รู้กี่พันแล้วก็รู้จักแต่ว่าพระมีศีล2องไม่จริงอ่ะใคร บ, บอกพระมีศีล2องเยอะแยะแค่ปาติโมกสองร้ นอกปาฏิโมกอีกกี่พันชุดปาติโมกกับสังวรศีลและนอกนั้นยังมีอีกสามหมวดเอาละปาติโมกก็หมายความว่าเราอยู่ในชีวิตแบบไหนชุมชนแบบไหนก็ต้องมีกติกามีข้อปฏิบัติเพื่อให้อยู่การเรียบร้อยชุมชนนั้นสงบเกื้อกูลต่อการปฏิบัติเพื่อจุดหมายร่วมกันอันนั้นเหล่า น, นี่เรียกว่าเป็นศีลปาติโมกกับสังวรศีลแล้วก็อีกอันหนึ่งก็สําคัญคนเรานี่ต้องเลี้ยงชีวิต ต้องทำมหากิญการทำมหากิญก็ต้องมีกติกามีหลักประพฤติปฏิบัติอาชีพนั้นไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำร้ายเขาไม่เบียดเบียนสังคมเป็นต้นเรื่องอาชีพก็ต้องเป็นศีลชนิดหนึ่งก็เลยเรียกว่าอาชีวปาริสุทธิศีลหรือสำมะอาชีวะนั่นเองก็เป็นศีลอีกชุดหนึ่งศีลเนี่ยมีทั้งหมดสําหรับพระสี่ชุดซึ่งโยมก็เหมือนกันอะ ท่านวางหลักไว้ว่าปาติโมกสําหรับพระนี่227ญาติโยมไม่ไหวเราเอาพอมบอกเอาศีลห้าถ้าจะถือเป็นปาฏิโมกขซื้อศีลห้าเนี่ยก็ได้แค่ชุดปาติโมกชุดเดียวเราบอกกันว่าให้ปฏิบัติศีลหศีลห้าที่จริงได้ชุดเดียวแหละไม่ได้ใช้ชุดอิสเซียสังวรศีลชุดปจัจจะศรนศรีศรีศีลหรือปฏิเสวนาแล้วก็ชุดอาชีวะปาริสุทธิศีล ไม่ได้คิดกันเลยเพราะฉะนั้นต้องปรับปรุงสังคมใหม่ยิ่งยุคนี้ไอที IT ด้วยเนี่ยอินเซียสงวนศีลปัจจัยศนิสิทธศีลนี่สำคัญอย่างยิ่งเลยการใช้ตาหูเป็นต้นแล้วก็การกินการเสพบริโภคนีย่ยุคนี้ต้องเน้นศีล น, นี่อเอาแล้วแหว่านี่คือศีลนเลยบอนี่นนี่คือจริยะชุดที่หนึ่งศีลเนี่ยเยอะแยะหมดแล้วนะ่ศีล แล้ศีนอันนี้แหละที่มาเป็นศีลธรรมของสังคมไทยแต่ท่านบอกว่าจริยะหรือเราจะเรียกให้เข้ากับปัจจุบันว่าจริยธรรมก็แล้วแต่อันนี้ธรรมไม่ได้จบแค่ความประพฤติสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกทางสังคมและทางวัตถุสิ่งแวดล้อมเท่านั้นต่อไปจริยะหมวดที่สองก็คือสมาธิหรืออธิจิตตสิกขาด้านจิตใจเอาละสิ บอกที่คุณจะดูอะไรจะฟังอะไรมันมาจากไหนมาจากใจมีเจตนาเจตนาตั้งใจตั้งใจจะดูนั่นดูนี่อ้าวจะดูนี่เพราะมีเจตนาจะดูจะฟังนั่นเพราะมีเจตนาจะฟังแล้วทำไมจึงมีเจตนาจะดูจะฟังอ้าวมันมีโลภะหรือมีโทสะหรือมีอะไรอยู่ไอ้ตัวนะั้นเป็นตัวปรุงเจตนาเออ เพราะมันชอบนี่มันมีตัณหาชอบอย่างนั้นก็เลยดูนั่นเจตนาก็ตั้งไปแต่มีโทษะอันนี้ก็เลยทําให้เจตนาตั้งไปจัดการอย่างนั้นนี้เนี่ยอ๋อไอตัวประกอบปรุงในจิตใจเยอะแยะไปหมดนี่แดนจิตใจก็เลยกลายไปว่าไอที่ออกมาแดนศีลเนี่ยมันมาจากแดนจิตใจมีตัวเชื่อมคือเจตนาออก่าจากเจตนาทางนั้น ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยจะสัมผัสจะเสพ จ, จะดูจะฟังอะไรก็เจตนาทางนั้นกํากับอยู่แล้วกายวาจาจะพูดอะไรจะทำอะไรก็เจตนาทางนั้นเป็นกรรมทางนั้นออกจากใจเพราะนั้นถ้าคุณไม่ไปจัดการกรับด้านจิตใจให้เจตนามาออกมาดีนะการแก้ปัญหาระดับศีลเนี่ยมันไปไม่รอดได้แค่มีกติกาแล้วก็ต้องฝืนใจบังคับกัน มีระเบียบระเบิดไว้อันนี้ทำมาอันนี้ทำมาได้จะถูกลงโทษเป็นต้นอย่างนี้ก็ฝืนใจก็เป็นทุกข์ทีนี้ถ้าหากว่าใจเราเอาด้วยเอออันนี้ดีนี่เราจะปฏิบัติกติกานี้จะทําให้เรามีชีวิตที่ดีสังคมดีเราก็เต็มใจจิตใจก็ไม่ทุกข์ก็เป็นสุขว่าอยู่ที่เจตนาและท่านใดก็จะต้องไปฝึกด้านเจตนาแล้วลึกลงไปก็คือตัวที่มาปรุงเจตนานี้ก็แดนจิตใจทั้งหมด โอ้ลงไปแดนจิตใจสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในใจเยอะแยะหมดที่เขาเอามาใช้อันหนึ่งคือคุณธรรมนี่นี่เราโยงได้แล้วนะเขามีเอศิคของเขาก็คือแดนที่หนึ่งที่เมื่อกี้เราพูดคือแดนศีลแดนสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเขาเน้นในแง่สังคมแต่เขาคลุมเราไม่หมดศีลสีแดน น, ะดน่ะเอศิของเขานี่คลุมได้แค่ไหนโยงเรพิจรนารณาดถศีลสีส่แดนน่ะ 1. การใช้ตาดูหูฟังอะไรสินเสียสังวรสองแดนเศรษบริโภคสแดนอาชีพสแดนกติกาสังคมชุมชนที่อยู่ร่วมกันจริยธรรมของเขาคุมได้แค่ไหนคำว่าจริยธรรมของเขาไม่มีหลักในการแจกแจงจำแนกชัดเจนบางทีเป็นเดยกจริยศาสตร์แบ่งเป็นหกอะไรมันไม่เป็นระบบที่ชัดเจนเอาละ ทีนี้ลงมาถึงแดนที่สองแดนใหญ่นะจากสีหรือแดนสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกทั้งทางสังคมและทางวัตถกุก็มาจิตใจจิตใจก็เป็นฐานที่ออกไปของศีลเราก็ต้องมาฝึกอบรมจิตใจจิตใจมีอะไรบ้างโอ้มีเรื่องเยอะเลยก็จะออกไปสู่เจตนาออกมาสัมพันธ์ภายนอกมันมีเครื่องปรุงมากมายมีดีมีร้าย ไอดีก็มีเยอะเช่นมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีความเสียสละมีความเคารพมีความกตัญญูมีศรัทธามีอะไรแต่ไรเนี่ยแดนดีก็มีเยอะอันนี้แหละที่มาเรียกเป็นคุณธรรมได้อันหนึ่งแล้วที่จะมาเป็นคุณธรรมสัมพันธ์จริยธรรมเนี่ยนี่แดนหนึ่งนั่นทีนี้ฝ่ายร้ายก็มีเยอะก็เป็นเรื่องของโลภะโทสะโมหะเรื่องความอิจฉาริษยาเรื่องอะไรแต่ไร เยอะแยะไปหมดนี่ฝ่ายร้ายนี่ก็เป็นเครื่องปรุงจิตใจทําให้รรเจตนาออกมาอย่างนั้นแต่มันไม่ใช่เท่านั้นหรอกนอกจากนั้นแล้วอีกด้านหนึ่งก็คือความขุนงัวความเศร้าหมองความเบิกบานความสดชื่นความสุขความทุกข์ความเร่าร้อนความเยือกเย็นอะไรต่างๆแล้วเนี้ยสภาพจิตใจด้านนี้ก็สําคัญมากนะอันนี้มันไม่ใช่คุณธรรมอ่ะมันเป็นภาวะด้านความสุข เทว่าความสดชื่นความเบิกบานความเอิบอิ่มความลื่มใจซึ่งสําคัญมากด้านนี้ก็เรื่องใหญ่ใหญ่มากทีเดียวเรียกง่ายๆเรื่องจิตใจด้านความสุขกันอ้าวนี่สองแล้วนะในด้านจิตใจหนึ่งเรื่องความดีความชั่วเราเอาความดีก็เป็นคุณธรรมแล้วกันเรื่องของความสุขไม่เอาความทุกข์อ้าวยังไม่พออีกต้องมีอีกด้านหนึ่งของจิตใจ คือสมรรถภาพของจิตใจที่มีความเข้มแข็งความตั้งมั่นความอยู่ตัวความก ล, วกล้าความอดทนความขยันมันเพียนอะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ตัวดีตัวชั่วได้ตรงแต่เป็นตัวสำคัญเลยสติก็เป็นด้านนี้เป็นตัวช่วยชีวิตมากสติมันทำให้อยู่กับสิ่ ง, งต่างๆทันสิ่ ง, งต่างๆถ้าเราขับรถไม่มีสติใจลอยก็เกิดปัญหา ไา้เป็นขับรถโดยประมาทโดยเฉพาะสมาธิจิตใจตั้งมัน่นไม่มีสมาธิฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องอ่านอะไรก็ไม่รู้เรื่องใจไม่อยู่กับสิ่งนั้นก็ต้องมีสมาธิต้องมีความเพียรใจกล้ากล้าสู้เจออะไรที่ยากไม่ถอยมีขันติมีความอดทนอะไรต่างๆพวกนี้ด้านนี้ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันของจิตใจเนี่ยพวกนี้สมัยนี้ก็ไม่รู้จะไปไว้ที่ไหน ก็อาจจะไปคุมคลุมอยู่ในคุณธรรมได้บ้างไม่ได้บ้างพระก็ต้องแยกได้หมดโอ้ด้จิตใจนี่เยอะนี่แล้วพวกนี้มีผลต่อเรื่องความประพฤติที่เป็นศีลทั้งนั้นเลยที่เรียกว่าจริยธรรมเนี่ยถ้าเราจะประพฤติดีเขาบอกต้องมีคุณธรรมในใจเอายอมรับต้องมีความดีเช่นว่าจะไม่เบียดเบียนกันไม่ทาร้ายผู้อื่นจะช่วยเหลือกันก็ให้มีคุณธรรมในใจมีเมตตา จริยธรรมที่ช่วยเหลือกันแสดงออกโดยมีคุณธรรมคือเมตตาในใจอ้าวรับกันแล้วแต่ว่าคุณธรรมเนี่ยไม่พอนะเราจะประพฤติความดีต่างๆได้อย่างยืนมั่นคงและจริงจังมากเนะี่ยในเมื่อใจเรามีความสุขถ้าใจเราทุกเราจะฝืนใจใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องทำให้จิตใจมีความสุขสดชื่นเบิกบานด้วย ถ้าใจมีความสุขสดชื่นเบิกบานด้วยความประพฤติข้างนอกที่ว่า ด, ดีเนี่ยจะยั่งยืนมัน่นคงแท้จริงเลยเพราะฉนั้นจะประพฤติจริยธรรมเนี่ยต้องให้ใจมีความสุขทีนี้จริยธรรมแบบฝรั่งเนี่ยโดยมากเป็นจริยธรรมแบบฝืนใจลงไปดูเถอะต้องฝืนใจใคล้ายๆว่าความประพฤติ ด, ดีนี้ก็คือการที่เราต้องไปฝืนใจตัวเองอดกลั้นไม่ตามใจตัวเอง ไปตามใจตัวเองเอาตามใจอยากก็ต้องเบียดเวียนกันแย่งชิงเขาจะมีจริยธรรมก็ต้องอดกลัน้นต้องยอมละเว้นฝืนใจไม่เอาจริยธรรมแบบสมัยใหม่เนี่ยมักจะอยู่กับความฝืนใจจริยธรรมก็กลายเป็นเรื่องที่ว่าพอันนั้นทำไม่ได้นี่ทํำไม่ได้จริยธรรมก็เลยต้องอยู่ด้วยความฝืนใจก็ไม่มีความสุขแท้จริงของเราท่านยอมรับตอนแรกก็เริ่มได้ฝืนใจ แต่พอฝึกไปฝึกไปแล้วต้องมีความสุขจนกระทั่งอย่างเป็นพระโสดาบันนี้จริยธรรมศีลเป็นไปเองเลยเป็นไปเองไม่ต้องตั้งใจศีลของพระโสดาบันนี่ถ้าใช้ภาษาสมัยใหม่เรียกว่าศีลอัตโนมัติไม่ต้องตั้งใจมันเป็นไปเองเพระจิตท่านเป็นอย่างนั้นแล้วจิตที่จะคิดละเมิดจิตที่จะคิดเบียดเบียนมันไม่มีแล้วใจท่านมีความสุขที่จะอยู่กับการประพฤติที่ดีงามต้องเป็นอย่างนั้นเอาละ เป็นอันว่าแดนจิตใจต้องให้พร้อมต้องมีทั้งเรื่องคุณธรรมความดีงามต้องมีทั้งเรื่องของความสุขแล้วก็ต้องมีทั้งเรื่องของความเข้มแข็งอะไรต่างๆ่างสติสมาธิขันติวิริยะอะไรแต่อะไรเอาแล้วนะเป็นอันว่าด้านจิตใจก็ต้องสมแดนเป็นอย่างน้อยแหละต้องฝึกจิตใจแล้วเราก็เอาสมาธินี่โยงให้ได้สมาธิเป็นสภาพอยู่ตัวของจิต ถ้าจิตไม่อยู่ตัวไม่ตั้งมั่นแล้วคุณธรรมอะไรความดีความสุขมันตั้งอยู่ไม่ได้ใช่ว่าจิตใจมัไม่เป็นสมาธิมันไม่อยู่กับอารมณ์เดียวได้มันพรุ่งพล่านมันวอกแวกอยู่เนี่ยจิตมันไม่สงบมันก็เป็นสุขแท้จริงไม่ได้จะเอาสุขก็ไม่ได้คุณธรรมจริงก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็เลยท่านก็เน้นสมาธิเป็นที่รวมเป็นจุดรวมเป็นที่ตั้งเป็นภาวะอยู่ตัวของจิตใจที่จะทําให้คุณความดีอะไรสิ่งที่ดีคุณสมบัติต่างๆมันอยู่ได้ แล้วก็ทํางานได้เอาล้วนะเลยพอด้านจิตใจด้านสําคัญก็แปลว่าจริยะต้องมีด้านจิตใจด้วยคุณธรรมก็ไม่พอต้องมีความสุขด้วยเอาต่อไปยังไม่พอจริยะยังมีแดนแดนปัญญาแดนปัญญาความรู้เข้าใจยิ่งรู้เท่าไหรยิ่งเข้าใจถึงสภาวธรรมจนกระทั่งทำให้จิตหลุดพ้นไปเองเป็นอัตโนมัติไม่ยึดมั่นที่แท้นเนี่ยมันต้องปัญญา เราก็ฝึกปัญญาให้รู้เข้าใจตอนแรกก็อยู่ด้วยเหตุผลเช่ว่าเอออั น, นี้ไม่ดีนะการเบียดเบียนกันนี่คนอื่นเขาก็รักชีวิตเขาจริงไม่จริงจริงอา้าวเรารักชีวิตเราฉันใดเขาก็รักชีวิตเขาชั้นนั้นเบียดเบียนกันไม่ดีสังคมก็เดือดร้อนเขาก็อยากแก้แค้นแล้วก็คนอื่นญาติพี่น้องเขาก็ลําบากสังคมก็ไม่เป็นสุขเราก็ไม่เป็นสุขด้วยนี่ว่ากันโดยเหตุผลปัญญาก็มาช่วยจริยธรรมไอ้สีนี้ต้องอาศัยปัญญา ปัญญาก็พัฒนาไปเป็นลมดับต้องมีปัญญาด้วยจริยะที่เป็นพรรมจริยะเนี่ยปัญญาแตนทิสานี่คือตัวคุม้มสาคัญจริยะถ้าไม่มีปัญญามาช่วยมันก็อยู่แค่นั้นะเมื่อไรเมื่อไรมันก็อยู่ด้วยอา้าวมีกติกาว่าหลักจริยะว่างี้เอากับคุณก็พุทไปสิแต่ปัญญาเนี่ยมันจะมาช่วยพัฒนาให้เห็นเหตุเห็นผลปัญญาต้องมีจริยธรรมไม่มีปัญญาไปไม่รอด แล้วมันจะไม่มีความสุขพอปัญญาเราเห็นโทษเห็นภัยของการประพฤติไม่ดีเห็นประโยชน์ของการประพฤติดีอะไรต่างๆเราเต็มใจประพฤติจิตใจก็มีความสุขแล้วก็พัฒนาไปว่าเออเมื่อประพฤติอย่างนี้ดีนะช่วยเหลือกันแค่นี้มันน้อยไปเราจะหาวิธีช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันไม่เบียดเบียนกันยังไงอีกปัญญาก็มาเสริมจริยะนั้นไปเพราะนั่นจริยะเนี่ย ตัวแท้ที่จะทำให้มันพัฒนาได้ก็คือปัญญานั้นพระมัจริยะหรือจริยธรรมมันประเสริฐในทางพระจึงต้องมีสามแดนครบมีศีลสมาธิปัญญาพระมจริยาเขาแปาว่าต้องครบชุดนี้ตอนนี้เขามาเอากันว่ามีคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรมก็แค่ข้างนอกแค่ศีลแล้วไปเอาคุณธรรมมาด้านจิตใจหน่อยต่อไปก็ต้อง อา้าวคุณธรรมจริยธรรมเออดีและจริยธรรมประพฤติดได้ได้มีคุณธรรมอยู่ในใจเอต่อไปต่อไปก็มันได้คิดบอกว่ามันไม่มีความสุขมันฝืนใจมันก็ไม่มั่นคงทางนั้นต่อไปต้องมีความสุขด้วยก็ต้องเพิ่มเข้าไปอีกต่อไปก็อบรมคุณธรรมจริยธรรมและความสุขต่อไปไม่พอแล้วต้องจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมความสุข ต่อไปก็เออไ ม, ไ, ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีปัญญามันไม่รู้ไม่เข้าใจเหตุเข้าใจผลมันไม่พัฒนาปัญญาจริยธรรมมันไม่มั่นคงไม่ได้ผลแท้จริงต้องมีปัญญาด้วยต่อไปก็ต้องเพิ่มอบรมคุณธรรมจริยธรรมความสุขและปัญญาความจริงจริยะเนี่ยมันมีหมดแล้วจริยะของพระพุทธเจ้าเนี่ย น, ยเนะเลยบรมาจริยะมันมีทั้งจริยธรรมมีทั้งคุณธรรมแล้วมันยังมีเกินนั้นอีกเยอะ มีความสุขมีสมรรถภาพของจิตใจมีปัญญาโยมจะเอาไงอะตกลงนี่คือพูดเรื่องจริยธรรมโยมเห็นแล้วความหมายมันต่างกันเยอะจริยธรรมของปัจจุบันเนี่ยเขามองตามความหมายที่มาจากตะวันตกเป็นศัพท์บัญญัติแต่ว่าก็ไม่ชัดว่าจริยธรรมคืออะไรไเวลานี้เ็พูดกับพระพระเบอกว่าจริยธรรมคนที่พูดก็ไม่ชัดว่าอะไรแค่ไหน ใช่ไหมในความคิดน่มันไม่ชัดนี่สังคมไทยก็เลยเต็มไปสิ่งที่ไม่ชัดสิ่งที่พลาพลาแล้วก็ค่อยคอยคืบเคลื่อนไปและทีนี้ยิ่งกว่านั้นก็คือย้อนกลับไปวิจารณ์นู้นหน่อยคือจริยธรรมตะวันตกเนี่ยมันง่อนแงนเขาเรียกว่าเป็นจริยธรรมสากลภาษากนที่ไหน ก็คือจริยธรรมที่ฝรั่งคิดขึ้นมาในสายความคิดหนึ่งของอรยธรรมเหมือนเสื้อผ้าชุดสากล น, นะเรียกกันไปอย่างนั้นสากลมันแปลว่าทั่วไปทั้งหมดใช่ไหมสากลละโลกสากลจังหวานเสื้อผ้าชุดสากลนะสากลจริงไหมแต่เราเรียกเป็นไงเดียมากสากลก็คือของฝรั่งที่จริงต้องเรียกให้ถูกเสื้อผ้าชุดสากลก็คือเสื้อผ้าชุดฝรั่ง ไปเรียกกับชุดสากลมันสากลที่ไหนล่ะบางประเทศก็ไม่ใช่แหละสากลมันต้องทั่วหมดอันนี้ก็แบบเดียวกันจริยธรรมสากลเป็นสากลที่ไหนที่จริงมันเป็นจริยธรรมของฝรั่งตะวันตกคิดขึ้นพื้นฐานจริยธรรมตะวันตกนั้นมาอย่างไงจริยธรรมตะวันตกเดี่ยมาเกิดจากความคิดนักปราชญ์ทั้งหลายคิดขึ้นมา สมัยก่อนก็มีาศาสนาอย่างาศาสนาคริสต์ศาสนายิวแล้วก็มาพวกนักปรานัชญาตอนหลังก็มาเน้นทางปรัชญาเป็นจริยศาสตร์ทีนี้ในการพัฒนาของจริยธรรมของฝรั่งเนี่ยแหล่งเดิมมันก็คือาศาสนาพอมาถึงยุควิทยาศาสตร์พวกวิทยาศาสตร์เนี่ยมองว่าจริยธรรมคําสอนหลักฐาที่ให้ประพฤติปฏิบัติเนี่ย ถือว่าเป็นองค์การจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นเทว บ, บัญชาพระผู้เป็นเจ้าท่านสั่งมานะที่ให้ทําอย่างนี้หรือไม่ให้ทำเนี่ยเป็นคําสั่งพระเจ้าเพราะนักจริยธรรมตอนตกเนี่ยมีฐานมาจากเทว บ, บัญชาพอวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นพวกนักปราชญาในยุควิทยาศาสตร์ก็ไม่ยอมรับบอกว่าไอจริยธรรมความประพฤติอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีแหล่งเดิมมันก็คือศาสน า, ศา แล้วก็บอกพระเจ้าท่านสั่งมาทีนี้พวกนักวิทยาศาสตร์ตอนนั้นก็รังแรงไม่เชื่อเลยเรื่องศาสนามีที่ไหนเทพเจ้ามาบัญชาอจริยธรรมเป็นของคิดขึ้นมนุษย์เนี่ยแต่งคิดเองไม่ใช่พระเจ้าท่านสั่งมามันก็ฝ่ายสุดโตงเดิมเป็นเทวบัญชาพระผู้เป็นเจ้าสั่งมาว่านักวิทยาศาสตร์เกิดบอกไม่มีไม่ใช่เป็นของมนุษย์สร้างขึ้น ถ้า ม, มีที่ไหนความประพฤติดีอันนี้ดีนั้นไม่ดีเนี่ยมนุษย์บัญญัติตกลงกันเองสังคมนี้ก็บัญญัติว่าอย่างนี้ดีอาให้ประพฤติอย่างนี้พอไปอีกสังคมหนึ่งบอกไอ้อันนี้ไม่ดีต้องให้ประพฤติอย่างนั้นบางทีตรงข้ามตกลงไอ้ดีชั่วจริยธรรมเนี่ยไม่มีจริงอะ่ะนี่วิทยาศาสตร์มากลายเป็นหักล้างไปเลยจริยธรรมตะวันตกเนี่ยมันมาแบบนี้ ก็แปลว่าบอถึงยุควิทยาศาสตร์ก็กลายเป็นเห็นจริยธรรมเป็นของไม่มีเหตุผลเป็นของไราสาระจริยธรรมก็ง่อนแงนเลยก็ได้จริยธรรมแบบนักปราช์แบบโสเรติสเพเโตหริสโตเตลสายกรีกมาไอ้นั่นมีเรียกว่าจริยศาสตร์ก็เป็นแหล่งหนึ่งของจริยธรรมก็มีสองสายและสายศาสนากับสายนักปรัชญาทีนี้ พวกนี้ก็เป็นนักเหตุผลพวกสายนักปรัช ญ, ญากรีกเนี่ยก็คิดเหตุผลกันไปก็ไม่ลงตัวมันก็เป็นสายความคิดหนึ่งก็มาอย่างเงี้ยแต่ตกลงว่าในยุควิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ให้ความสำคัญแก่จริยธรรมเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็ถือไปของที่มนุษย์บัญญัติคิดแต่งกันขึ้นดีชั่วเป็นเรื่องของมนุษย์ตกลงกันสังคมนี้ว่า ง, งี้สังคมนั้นว่า ง, งั้น จริยธรรมไม่ใช่ของจริงแท้เขาก็ไม่ค่อยสนใจวิทยาศาสตร์สนใจของจริงของแท้ที่เขาพิสูจน์ได้นี่แตจริยธรรมก็อยู่ในพวกมนุษยศาสตร์นี่ไม่ได้ไปอยู่ในแดนที่เป็นของแท้ของจริงอะไรไม่ใช่วิทยาศาสตร์ธรรมชาติแล้ก็ไปอยู่ในจริยศาสตร์ในเรื่องวิชาปรัชญาเป็นพวกมนุษยศาสตร์ไปแล้วในยุควิทยาศาสตร์อาจารย์ผมนุษยศาสตร์นี่ก็ถูกดูถูก วิชาอันดับหนึ่งก็คือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติหมวดที่หนึ่งนีด่เด่นที่สุดพวกวิทยาการสมัยเดิมมาก็พากันอยากจะเป็นวิทยาศาสตร์เพราะจะได้มีโก้มีเกียรติเอาเศรษฐศาสตร์ก็พยายามทําตัวให้วัดได้เห็นนับได้เป็นตัวเลขได้สังคมวิทยามนุษยวิทยาพวกนี้ก็พยายามที่จะให้มีวิธีการวิทยาศาสตร์เข้าไปใช้ก็เลยค่อยๆได้ชื่อ เป็นวิชาที่เข้าในพวกวิทยาศาสตร์แต่เป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติไม่ได้เลยเป็นสังคมศาสตร์ก็ได้ชั้นรอง1วิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นหมวดที่1 2หมวดสังคมศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ทางสังคมต้องวัดได้นับตัวเลขได้ใช้วิธีวิทยาศาสตร์ได้เศรษฐศาสตร์สังคมวิทยามนุษยวิทยาอะไรเพื่นเนี้ ทีนี้ไอ้เจ้าพวกที่วัดไม่ได้อะไรต่งางนับตัวเลขไม่ได้ก็ต้องอยู่ในมนุษยศาสตร์ไปพวกนี้อัปด้อยน้อยวาสนาหมดเลยพวกมนุษยศาสตร์ในะยุควิทยศาสตรนะ์จริยศาสตร์ก็แย่ไปด้วยจริยธรรมอะไรจะไรไม่มีเกียรตินี่คือสภาพสังคมตอนตกที่เป็นมาต่อมาตอนหลังเนี่ยนะเกิด ความเสื่อมถอยฐานะของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติตอนก่อนนี่ถือว่าอะไรอะไรต้องเป็นวิทยาศาสตร์หมดอะไรไม่เป็นวิทยาศาสตร์ใช้ไม่ได้หรือวิทยาศาสตร์ไม่ยอมรับต้องเป็นมาตรฐานวัดทุกสิ่งทุกอย่างตอนนั้นทีตอนหลังมานี่นักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ไ ป, ไปนักปราชชา น, นาบองวิทยาศาสตรน์นี่เข้าถึงความจริงแท้ไม่ได้เลย เข้าถึงได้แต่เพียงเงางเพางั้นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนําเลยนะพูดอย่างนี้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถเข้าถึงความจริงแท้เข้าถึงได้แต่เพียงเงาความจริงแล้วก็เกิดวิทยาศาสตร์ใหม่ฟิสิกส์ใหม่อะไรขึ้นมาต่อมาวิทยาศาสตร์ที่เชื่อกันมาเดิมก็ชักงอนเงันว่าไม่สามารถเข้าถึงความจริงได้แค่นี้มันก็ชักเสื่อมฐานละลงไปแล้วก็มา ความหวังจากผลผลิตที่มาจากเทคโนโลยีซึ่งอาศัยวิทยาศาสตร์เป็นฐานนึกว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้มนุษย์มีสุขสมบูรณ์ต่อมาก็ามองเห็นว่าจะมีทีวีมีอะไรแต่อะไรชีวิตมันก็ไม่ได้มีความหมายแท้จริงไม่มีความสุขแท้จริงฝรั่งเริ่มก่อนพอรู้สึกอย่างนี้ความศักดิ์สิทธิ์ของวิทยาศาสตร์ก็อ่อนลว่าโอ้โทีวิทยาศาสตร์จะนามนุษย์ไปสู่สวรรค์บนพื้นดินนี่ไม่จริงแล้ว มนุษย์ก็เริ่มแสวงหาว่าชีวิตที่ดีคืออะไรความหมายความสุขที่แท้คืออะไรจะพึ่งวิทยาศาสตร์ไม่ได้ต่อมาก็มองเห็นอีกอ้าวแล้วเทคโนโลยีความเจริญทางวิทยาศาสตร์ที่วิทยาศาสตร์เป็นฐานเกิดโทษคือมาจิตใจคนที่อยู่ในสังคมแบบนี้อยู่ในยุคอุตสากรรศึกษากรรมนี่มีเทคโนโลยีเป็นฐานและก็อาศัยวิทยาศาสตร์รองรับอยู่เนี่ยเจริญมาด้วยวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมจะทําให้มนุษย์สุขสมบูรณ์ก็ไม่จริงชีวิตก็กระวลกระวายเดือดร้อนมีความเครียดสูงจิตใจก็ไม่ดีสังคมก็ไม่ดีมีการเบียดเบียนแย่งชิงกันมากใช้ผลผิดจากอุตสาหกรรมมาเบียดเบียนรบราคาบฟันทําลายล้างกันแล้ในที่สุดก็มาธรรมชาติแวดล้อมเสื่อมเสียโอแย่แล้วมีมลภาวะธรรมชาติล่อยรอทรัพยากรหมดไปมาถึงอันเนี้ย มาถึงไอ้เรื่องธรรมชาติแวดล้อมเสียเนี่ยตายละถ้าขืนเป็นอย่างนี้มนุษย์ก็สิ้นด้วยพอเห็นภัยธรรมชาติแวดล้อมเสื่อมอันนี้เลยหยุดไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ทำให้ระบบความเจริญแบบวิทศาสตร์นี่สูญเสียความเชื่อมัน่นแทบหมดเลยมาถึงยุคที่บอกความเจริญที่ผ่านมานี้เป็น u n s ustainable เป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ตกลงระบบการพัฒนาที่ผ่านมามีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตสาหกรรมเศรษฐกิจไปไม่รอดแล้วต้องเปลี่ยนใหม่เป็นระบบที่เรียกว่าอันซัสเตนทิเบิลต้องหาทางให้เกิดซัสเ a น n a เบิลดีเวล p อปเมนต์ให้การพัฒน า, ย, ายั่งยืนนี่คือการสูญเสียความเชื่อมั่นต่อวิทยาศาสตร์เพราะนั้นต่อมาไอ้พวกของเดิมที่มันเคยด้อยไปเนี่ยที่ฝรั่งฝเงไม่นับถือแย่ไปหมดลเฟื่องฟูขึ้นมา ด้านตรงข้ามกับวิทยาศาสตร์คือด้านไรด้านสปิริชวลิตี้ตอนนั้นตอนที่วิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมาด้านสปิริชวลิตี้ด้า น, ity, า น, นที่เขาเรียกวันนันภาษาไทยนิยมมาเรียกกันว่าจิตวิญญาณเลยเนี่ยสมัยนั้นสมัยวิทยาศาสตร์เฟื่องในพวกนี้แย่หมดเลยพอวิทยาศาสตร์เสื่อมฐานะลงไอ้พวกจิตวิญญาณอะไรที่เขาเรียกกันเนี่ยที่จริงภาษาไทยเดิมแล้วก็เรียกเรื่องจิตที่ถูกภาษาไทยเดิมเรียกก็เรื่องผีผ เพราะว่าคำว่าสปิริตเนี่ยแปลว่าผีพระผู้เป็นเจ้าของฝรั่งนี่เขาเรียกซูพลีสปิริตแปลว่าผีสูงสุดคือคำว่าผีในภาษาไทยเป็นคำดีไม่ใช่คำร้ายผีบ้านผีเหลือนผีปู่ย่าตายายผีทั้งนั้นก็คือสิ่งที่สำคัญมากแต่มองไม่เห็นลี้ลับนี่เรื่องผีๆหรือเรื่องสปิริ t ช a วลิตี้นี่ก็เลยมีฐานะโดดเด่นขึ้นมามีความสาคัญขึ้นมาในยุค น, นี้ ทฤษยีศาสตร์เริ่มเสื่อมสถาธนะแล้วลจริยธรรมก็มีความสําคัญขึ้นมาตอนเนี้ยตอนที่ว่าสิ่งแวดล้อมมันเสื่อมทําไงเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ได้โอ้ต้องมีจริยธรรมเอาและเรียกร้องจริยธรรมว่ามนุษย์จะต้องมีจริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจเขาเรียกว่ามี restraint ยับยั้งชั่งใจต่อสิ่งแวดล้อมไม่ทําตามใจตัวไม่เอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายแล้วก็การเสบบริโภคก็ต้องมีความยับยั้งชั่งใจนี่คือจริยธรรมไม่บริโภคเต็มที่ตามที่ใจตัวต้องการถ้าเสบบริโภคเต็มที่ตามใจตัวถ้าใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามใจตัวก็หมด สิ่งแวดล้อมก็มาลายเสื่อมสูญหมดแล้วมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้โลกก็พังทลายท่นั้นก็เลยเรียกร้องจริยธรรมจริยธรรมที่ฟื้นขึ้นมามากก็เพราะเรื่องสิ่งแวดล้อมนี้แล้วก็เกิดไอ้จริยธรรมใหม่เรียกว่า environmental ethics จริยธรรมสิ่งแวดล้อมขึ้นมาในยุคเนี้เฟื่องและจริยธรรมสิ่งแวดล้อมนี่ก็เข้าสู่วงการธุรกิจเพราะธุรกิจนี่เป็นตัวสําคัญธุรกิจนี่ไปโยงกับอุตสาหกรรมแล้วไปทําลายสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นธุรกิจนีจะต้องมีจริยธรรมจริยธรรมัลนก็เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมน่นแหละก็เลยเกิด business ethics จริยธรรมทางธุรกิจตอนนี้ก็เลยเรียนกันในมหาวิทยาลัยในเอเมริกา environmental ethics business ethics ethics mm. จริยธรรมมันก็เลยเฟื่องขึ้นมาเป็นอาว่าจริยธรรมฝรั่งเนี่ยฐานมันครอนแคลนหนึ่งจะเรียกเป็นสากลมันก็ไม่ใช่ว่าสากลจริงภาษากลก็คือของฝรั่ง สองฐานคอนแคนเพราะว่าเดิมมันถูกวิทยาศาสตร์ตีไม่ยอมรับแล้วของเดิมมันก็ง่อนแงน่นมันไม่มีฐานชัดเจนมาจากสายศาสนามาจากสายปรัชญาแล้ววิทยาศาสตร์ก็ไม่เอาใจใส่แล้วมาฟื้นขึ้นใหม่โดยเรื่องของความจำเป็นทางสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นใหญ่แล้วก็เรื่องปัญหาสังคมเรื่องปัญหาชีวิตจิตใจคน แต่ปัญหาชีวิตใจิตใจคนจริยธรรมก็ไม่ค่อยมาเกี่ยวจริยธรรมเป็นเรื่องของด้านภายนอกเท่านั้นทีนี้จริยธรรมตอนตกเป็นอย่างนี้ฝรั่งเองก็รู้ตัวก็เลยสแสวงหาเขาสแสวงหาว่าจริยธรรมอะไรที่มันจะช่วยเสริมให้จริยธรรมเขาสมบูรณ์ตอนนี้มันเป็นเวลาที่เขาสแสวงหาไม่ใช่ว่าเราจะไปเอาจากเขาว่าเป็นจริยธรรมสากลแต่เรานี่แหละเป็นที่เรียนของเขา เรื่องมันเป็นอย่างนี้แต่เราก็ต้องรู้ทันว่าเขาเป็นยังไงมาอย่างไงก็ตกลงว่าเรื่องจริยธรรมก็เล่าให้โยมฟังอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจให้ชัดเพราะจริยธรรมของไทยปัจจุบันก็คือจริยธรรมของฝรัง่งเพราะว่าคำว่าจริยธรรมเป็นคำใหม่เป็นคำที่เราบัญญัติขึ้นเมื่อ30 <c oughs> สีสิปีสธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งของพรหมจริยะไงเลย หมายความว่าระบบชีวิตทั้งหมดก็คือพ ร, ม ร, อรห ม, ม, รญญพรมจริยะนั่นคือรวมหมดศีลสมาธิปัญญาแล้วในพรหมจริยะนั้นมีศีลธรรมอยู่ที่ศีลศีลเนี่ยออกมาเป็นศีลธรรมศีลหรือศีลธรรมได้เป็นส่วนหนึ่งของพรหมจริยะทีนี้บางคนก็อยากจะแปลความหมายว่าศีลธรรมแปลว่าอะไรศีลธรรมก็แปลได้สองอย่าง 1แปลว่าศีลและธรรมสองแปลว่าธรรมขั้นศีลแปลว่าธรรมขั้นศีลก็คือศีลธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมธรรมขั้นศีลธรรมขั้นสมาธิธรรมขั้นปัญญาศีลธรรมนี้ก็คือธรรมขั้นศีลยังจะต้องก้าวไปสู่ธรรมขั้นสมาธิก้าวไปสู่ธรรมะขั้นปัญญาทีนี้แปลอีกอย่างหนึ่งแปลว่า ศีลและธรรมก็หมายความว่าศีลและธรรมธรรมหมายถึงสมาธิและปัญญา mm hmm. ก็หมายความว่าเอาทั้งศีลทั้งธรมธรมธรรมะนั่นร ว, ควมคําว่าสมาธิและปัญญาก็ให้เป็นศีลและธรรมศีลถ้าพูดภาษาชาวบา้านก็เลยไปบอกว่าคือข้อห้ามธรร ม, มะก็คือคําแนะนําสั่งสอนให้ทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงมันก็เป็นการพยายามให้ความหมายกัน ก็แล้วแต่ถ้าธรรมะขั้นศีลก็คือในศีลสมาธิปัญญาก็แค่ศีลถ้าเอาศีลและธรรมก็คือศีลพร้อมทั้งธรรมะที่เหลือคือสมาธิและปัญญาเลยก็หมายความว่าอย่าหยุดแค่ศีลนะต้องเอาสมาธิและปัญญาด้วยหยืดยาวเลยต้องพูดกันให้ชัดก็ให้รู้อะไรมันเป็นอะไรเพราะมันั้นก็ไม่ชัดว่าจรยธรรมคืออะไร อ้าวันนี้ก็คงเท่านี้ก่อน